พระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกนาถศาสนาบริสุทธิ์หามนถินไม่ได้พองใสขาวสะอาดกุลบุตรนั้นบวชในบรวรพุทธศาสนาพระบรมโลกกนาถศาสดาจาร์แล้วกุลบุตรนั้นเกียรติคร้านมีแต่กินกับนอนบาจีวอนก็ไม่ครองมีแต่จะมองสาวสาวไม่เล่าเรียนคันถะธุระวิปัสนาทธุระ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 ไม่ให้หมอรักษาน่าเกลียดนี้กระไรหรือว่าเขาจะนินทาว่าหมอและยาของหมอนั้นไม่ดีเล่าสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานก็การอะไรเขาจะติเตียนหมอนั้นฝูงชนเขาก็ชวนกันครหานินทาชายกลายเป็นพยาธินั้น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 จะนับจากฆาห น, นาได้มากกว่าร้อยมาขุดเป็นสะใหญ่ครั้นขุดได้สาเร็จดังปรารถนาแล้วสั่งบริษัทเบาของอัตมาว่าสู้ชาวเจ้าที่มีกายเศร้าหมองขมุกขมอมอย่าลงสู่สะนี้ชาวเจ้าที่อาบน้าชำระเงือใครทำตนให้บริสุทธิ์แล้วจงลงสู่สะนี้เมื่อบุรุษผู้มีวาสนากล่าวดังนี้กิจ ด, ด้วยสะนั้น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 คือเอาธนูยิงปลายขนสายจามรีมติวิปะฮีโนปราศจากแบบแยบคายครูอันเนที่ตั้งที่ยิงธนูบอกลัทธิสำคัญมิได้เอาปัญญากำหนดไว้ให้มัน่นบุรุษชายผู้นั้นจึงไปยิงขนสายนั้นวิคหันติยิงก็พลาดเพลี่ยงไปไม่ถูกและละเสียเหตุว่าขนสายจามรีนั่นสันหังสุขุมัง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 มาบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระชินท์สีสัมมาสัมพุทธสัพพัญยูคนพวกนั้นมิอาจตรัสรู้จตุสัจจะปฏิเวทคือพระอริยรสัจสี่ประการอันมีลักษณะสุขุมนักและเอียดนักมิอาจเห็นมิอาจรู้ด้วยปราศจากปัญญาที่จะอยู่นิสมนานสิการเข้าใจได้ที่นั้น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 ฮีนายาวัฒนะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบชัตวัก